hmm <sweak> ตอนบ่ายอาตมากับพระแล้วก็แม่ชีบางท่านนะก็ได้ไปร่วมพิธีเผาศพโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่บ้านตากดิต ท, ทองก็เป็นกำลังสำคัญนะของการารักษาป่าอายุก็ไม่มากนะเองก็เสียชีวิตเพราะหัวใจวายเมื่อวานนี้เองอันนี้เป็นคนที่สามนะที่ รู้จักที่จากไปในรอบเจ็ดวันนี้ในเวลาแค่เจ็ดวันคนรู้จักก็เสียชีวิตไปสามคนเพราะแต่ละคนก็อายุไม่มากนะสี่สิบปลายปลายห้าสิบต้นต้นเวลาเราได้ฟังข่าวคราวหรือได้ยินเรื่องทํานองนี้นะนอกจากความรู้สึกเสียใจโนะดยเพราะ เสียใจยแทนครอบครองเขาแล้วเนี่ยก็ใหล้ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าในแง่หนึ่งเราก็โชคดีนะที่เรายัางไม่ลงเอยเหมือนคนเหล่านั้นเรายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่มีโอกาสที่จะทำอะไรต่ออะไรมากมายไม่ใช่เพียงแค่หาความสุขสนุกสนานไปวันวนะัน จะสามารถจะทำอะไรได้ดีมีคุณค่ากว่านั้นใครที่กุ้มหัว ก, กุ้มใจเพราะงานการมีปัญหาการได้มีอุปสรรคลองนึกแบบนี้บ้างว่าเออเรายังโชคดีนะบางที่เรายังมีลมหายใจเรายังไม่ตายเพราะความตายมันเป็นที่สุดของความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายมันเทียบไม่ได้กับความตาย นี่พูดถึงความทุกข์ในระดับบุคคลนะใครมีความทุกข์อะไรมาเช่นเงินหายสมบัติถูกโกงนะถูกต่อว่าด่าทอมีคนคอมเมนต์แรงๆใน Facebook นะหรือไม่กดไลค์เนี่ยไอพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะเมือ่อเทียบกับความตายแล้วพวกเราทุกคนก็โชคดีนะที่ยังไม่ตายนะไม่ว่าจะมีความทุกข์แค่ไหนก็ให้มองแบบนี้บางว่าเรายังโชคดีที่ยังไม่ตาย จากเหตุจากกันก็ควรจะมองต่อไปด้วยว่าซอดหนึ่งเราก็ต้องตายนะแล้วเราก็เดินเข้าหาความตายนะใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นทุกวันทุกวั น, นคนที่จากเราไปแล้วนะไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรือเพียงแต่ได้ข่าวคราวคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสมือนเทวทูตนะที่จริงไม่ใช่เป็นเสมือนอ่ะเป็นเลยแหละนะไม่ใช่เป็นเสมือนเป็นเทวทูต ผู้เจ้าจัดนะว่าเนี่ยคนเหล่านี้แหละคือเทวทูตเมื่อเราก็เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินข่าวคราวหรือได้เห็นคนป่วยคนตายคนเหล่านั้นคือเทวทูตนะเทวทูตไม่ใช่เทวดาที่อยู่บนฟ้านะแต่หมายถึงคนที่จะบอกเราเตือนเราถึงสัจธรรมความจริงว่าความตายเป็นสิ่งแน่นอน ชีวิตของเราไม่จีิรังยั่งยืนนะควรจะน้องเข้ามาใส่ตัวแบบนี้บ้างไม่ว่าเราจะได้ยิงหรือได้อ่านนะจากทางสือ่อยิ่งเป็นคนที่เรารู้จักด้วยเนี่ยมันยิ่งนะยิ่งเป็นเทวทูตที่บอกข่าวอย่างชัดเจนอย่ามัวแต่เสีย อ, อกเสียใจนะคร่ำครวนตั้งสติให้ดีแล้วก็ เปิดใจน้อมรับนะข้อมูลข่าวสารนะที่เทวทูตเหล่านั้นบอกกับเราอันนี้เมื่อเราเปิดใจนะรับรู้ถึงความไม่เช่้ของชีวิตนะบางคนได้ยินแล้วก็เกิดความหดหู่ที่เคยสนุกสนานนะก็กลายเป็นเศร้าหมองอันนั้นเป็นการวางใจที่ไม่ถูกนะเพราะว่ามันยิ่งทำให้เราเนี่ย ศูญเสียโอกาสนะที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเวลาที่เหลืออยู่คนที่หดหดู่เศร้าหมองเนี่ยนะก็มักจะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตนะไม่เป็นอันทมอะไรอันนั้นไม่ใช่วิสัยของคนที่มีสติปัญญาหรือวิสัยองชาวพุทธผู้เจ้าสอนนะก็ย้ำให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาท ในปะชีมโอวาดนี่ยซึ่งเราคงจะได้สาธยายกันบ้างแล้วพระพุทเจ้าจัดเป็นเหมือนกับคําสั่งเสียหรือมรดกธรรมก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานคําสั่งเสียของพระองค์หรือมรดกธรรมของพระองค์นี่มีแค่สองบรรทัดนะก็คือว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความแม่ประไม้ถึงพร้อมเถิด หรือท่านทั้งหลายจงทำประโยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหมายความว่าไงไหมความว่าให้เราขนขวายเร่งรีบในการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลทำหน้าที่ที่มีอยู่นโดยเพราะหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่เรามีต่อคนรักคนใกล้ตัวพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเป็นต้น รวมทั้งการฝึกตนด้วยฝึกตนเพื่อให้พร้อมรับนะกับความตายที่จะมาถึงคนเป็นนั้นมากเนี่ยทั้งทงี่รู้ว่าตัวจะต้องตายนะแต่กับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเอาแต่เที่ยวเต่สนุกสนานอันนี้เหมือนกับว่าอยู่แบบคนลืมตายนะมีคนที่อยู่แบบลืมตายนี่เยอะมาก คือลืมไปว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยไม่ได้ตัดเตรียมอะไรไปเลยบางคนประมาทนะบอกว่าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแทนที่จะรีบขนถวายเตรียมตัวฝึกตนนะเพื่อพร้อมรับเมือความตายก็กลับคิดว่าเอ้ยถึงตอนนั้นค่อยว่ากันนะอย่างนี้เราไปตายดับหน้าเสร็จแล้วพอถึงเวล า, ราจริงก็ตกมาตายนะก็คือว่าหมดสภาพ ตื่นตรหนกตกใจทุรนทุรายหลายคนนะก็เผชิญกับความตายด้วยความตื่นตรหนกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมตัวหลายคนรู้สึกเสียใจนะว่าเราปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะแต่แล้วพอถึงตอนที่ป่วยหนักนะก็ร่ำร้องว่าอยากตายอยากตายนะไอตอนที่สุขภาพดี มีกำลังวังชาก็กลับกลัวตายใครจะพูดเรื่องความตายไม่อยากไม่อยากพูดไม่อยากฟังหรือคิดว่าเอ้ยไปตายดาบหน้ามีนักเขียนฝรั่งคนหนึ่งนะชื่ออาร์ตบุกบอลเนี่ยแกมีชื่อมากนะเป็นนักเขียนทํานองเสียดสีแกพูดไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะหรือว่าพูดเพื่อที่จะประชดประชันแกบอกว่าตายไม่ยากนะ แต่หาที่จอดรถในนิวยอร์กยากกว่าเยอะเลยแกเป็นคนนิวยอร์กนะโอ้โหที่จอดรถในนิวยอร์กนี่มันหายากจริงสมัยนี้รวมถึงกรุงเทพดนะ้วยเนี่ยตายไม่ยากนะแต่หาที่จอดรถแถวสุขุมวิทนะ่ะยากกว่าเยอะเลยนะีบางคนจคิดแบบนั้นอันนี้ก็พูดทํานองว่าประชดประชันนะคนสมัยนี้ที่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องการเตรียมตัวตายเท่าไหร่ไปคิดแต่ว่าโอ้ยนีะ หาที่จอดรถมันยากเหลือเกินอันนี้เรียกว่าประมาทนะคนเหล่านี้หละที่เรียกว่าคิดว่าเอ้ยไปตายดับหน้าก็แล้วกันถึงเวลาก็ตกมาตายตอนที่มีชีวิตอยู่ก็กลัวตายอยากจะอยู่ไปร้อยปีแต่พอป่วยหนักก็ร่ำร้องบอกลูกบอกหลายว่าอยากตายอยากตายเพราะว่าเจ็บปวดทรมานมาก หลายคนก็ศึกเสียดายนะที่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้เตรียมหลายคนก็เสียใจนะที่ไม่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกต่อคนรักหรือต่อพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ใช้เวลาในการเที่ยวเตยสนุกสนานนะตรงข้ามนะกับใช้เวลาในการทำงานหาเงินนะยิ่งมีงานเข้ามาก็ถือว่าน้าขึ้นต้องรีบตักนะ ก็ทุ่มเทกับงานการเต็มที่จนกระทั่งไม่มีเวลาอยู่ครอบครัวคิดว่าเนี่ยทุ่มเทใ ห, ให้กับงานการสักยี่สปีหลังจากนั้นก็ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวปรากฏว่าทําไปได้แค่สิปีก็เป็นมะเร็งและอาการก็ซุดหนักลงมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเยียวยารักษาให้ดีขึ้นได้พอท้ายท้ายปลายชีวิตก็บอกว่าเนี่ยเสียดาย ถ้ามีวันเวลาเหลืออยู่เนี่ยอยากจะให้เวลากับลูกมากขึ้นเพราะลูกแค่ยุสิบกว่าขวดเท่านั้นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะที่เกิดความเสียใจเสียใจที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทํามันเคยมีการสอบถามคนที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าสิ่งที่เขาเสียใจมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะเสียใจที่ไม่ได้มีเวลาให้กับคนรัก บางคนก็บอกเสียใจยที่ไม่ได้ใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าบางคนก็บอกว่าทำแต่งานนะไม่ได้มีเวลาที่จะหาความสุขเลยถึงเวลาใกล้าตายมีเงินเยอะแยะแต่เงินก็ไม่ได้ใช้เแบบนี้ก็ก็มีอยู่แต่ทั้งหมดนี้ก็สรุปรวมความคือว่าประมาทนะปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยปร่ประโยชน์หรือไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทา ให้การที่เราเลิกถึงความตา ย, ยเสมอเนี่ยหรือเลิกถึงความไม่เที่ยงชีวิตเนี่ยมันทำให้เรามองชีวิตอย่างสมจริงมากขึ้นและช่วยทำให้เราวางแผนในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องการทำมาหากินก็ควรทำนะการหาความสุขนะเช่นการท่องเที่ยวนะการนะได้ดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสีสันของชีวิตก็มีบ้างนะสหรับปุถุชน แต่ว่าไอ้สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็อย่าละเลยหรือว่าอย่าพัดน์ผ่อนหลายคนบอกไม่ได้ละเลยนะแต่ว่าผัดน์ผ่อนไปเรื่อยตั้งใจว่าปีใหม่จ ะ, ะมีเวลาให้กับลูกมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นก็ไม่ได้ทําตั้งใจว่าะจะออกกำลังกายนะก็ไม่ได้ทําตั้งใจว่าจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นอ่ะก็พอถึงปีใหม่ก็เปลี่ยนใจไม่ทํา อันนี้เพราะเขาลืมไปนะว่าความตายมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกวันใกล้เข้ามาทุกวันระลึกไว้บ้างก็ดีแต่คนละมักจะลืมนะเพราะฉะนั้นต้องมีเทวทูตนะต้องมีเทวทูตเข้ามาเตือนนะเทวทูตคือคนตายนะทั้งที่รู้จักไม่รู้จักนะยิ่งคนรู้จักใกล้ตัวมาเท่าไหร่ยิ่งนะเป็นเทวทูตที่เตือนได้ได้ดีมากทีเดียวยิ่งคนที่ตาย ขณะที่อายุยังไม่มากเนี่ยอย่างสามคนที่ว่าเนี่ยอายุไม่มากเนี่ยสี่สิปลายป 50- ยหสิบต้นตนก็ตายแล้วแต่บางคนก็อายุน้อยกว่า น, นั้นนะมันยิ่งย้ำเตือนเราว่าความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ถึงเจ็ดสิบแดสิบถึงตายนยความตายจะมารอเราพรุ่งนี้ก็ได้มาลืนนี้ก็ได้ทั้งทั้งที่อายุยังไม่มากเลย ให้เราเรือความตายเสมอหรือว่าเปิดใจฟังคำเตือนเทวดาทูตไหมทําให้เราเกิดความตื่นตัวขนขวายนะกระตือรือร้นนะไม่ใช่หดหูวนะไม่ใช่เศร้าหมองถ้าเรารู้สึกความตายจริงจริงเนี่ยมันทำให้เราเกิดความตื่นตัวกนะระตือรือร้นเกิดควา ม, วรรร เ, วามเร่งรีบในการนะทําสิ่งที่ควรทําแต่ว่าเท่านี้ยังเป็นแค่ ครึ่งนึงนะของสิ่งที่เราควรเตรียมตัวอีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญนะอันนี้พุทธเจ้า ก, ก็ตัดไว้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้เราพึ่งสาธยายนะีบทสวดที่เราบังสุกุลตายเนี่ยอจิจาวัตสังคาราอุป า, าเวิมิโนอุปชิตวานยุรันติเตสองอุปสมโมสุขโคอันนี้ก็พุทธเจ้า ก, ก็จัดเรื่องความตายเหมือนกันนะว่าสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงหนอนะคล้ายๆกับ ปลาชิมโอวาที่พูดเมื่อสักครู่แต่ว่าลงท้ายต่างกันนะแทนที่พระเจ้าจะบอกว่าให้ทําความเพียรหรือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือทําเพื่อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระผู้เจ้าก็จัดว่าเนี่ยให้ให้รู้จักนะทำความสงบระงับสังขารสังขารในที่นี้คือความปรุงแต่งพูดง่ายคือว่าให้รู้จักปล่อยวางนใีในการที่จะ หยุดการปรุงแต่งเนี่ยสำหรับปุถุชนเนี่ยมันก็ยากนะมันไม่ได้แปลว่าหยุดคิดแต่หมายถึงว่าให้รู้จักปล่อยวางฟังดูก็ดูมันขัดแย้งกันนะปัจฉิมโอว่าผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยให้ทําความเพียร น, นะหรือเหมือนกับที่เราสวด น, นียบทอีกบทหนึ่งนะที่บอกว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ผู้เจ้าพูดถึงความตายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพียรแต่ว่าในบท อันนี้จาวสังคารานี่ผู้เจ้ากลับแนะหรือสอนให้รู้จักปล่อยวางมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะการทําความเพียร ก, การปล่อยวางมันมันเสริมกันการเพียรนี่เป็นความเพียร เ, เรื่องการทํากิจทํากิจคือการทําหน้าที่แต่ว่าก็ต้องทำทำจิต ด, ด้วยนะก็คือรู้จักปล่อยรู้จักวางโดยพฉพาะเมื่อเผชิญความตายที่ ที่เกิดขึ้นแล้วเช่นคนรักตายนะไม่มีทางที่จะช่วยเขาฟื้นขึ้นมาไดนะ้ก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะจะไปจะไปจะไปเขย่าตัวนะจะไปปั้มหัวใจเขากี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็ไม่ตื่นการไม่อยอมรับความจริงเนี่ยยิ่งทำให้ทุกข์มากเข้าไปใหญ่การที่ยึดมั่นถือมั่นนะว่าใครต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งทำความ ทรมานที่เกิดขึ้นกับเราต้องรู้จักปล่อยวางนะปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่รักเขานะยังรักเขาอยู่นะแต่ว่าวางเข้าไปจากใจยอมรับเขาในสภาพที่เป็นอยู่อันนี้เอาไว้ใช้นะเวลาสูญเสียคนรักของรักแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปตามเขาเหมือนกันก่อนที่จะไปนี่ก็ต้องปล่อยวางนะเพราะถ้าไม่ปล่อยวางมันจะทรมานมาก คนที่ตายไม่สงบตายไม่ดีนกะ็เพราะว่ายังปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้นะเช่นยังห่วงลูกยังห่วงพ่อแม่ยังห่วงล้านห่วงคนรักนะบางทีตายแล้วตายก็ยังค้างนะปิดเปิดตาก็ไม่หลงนะเพราะว่ายังมีความความห่วงนะห่วงลูกห่วงล้านลูกยังเล็กนะบางคนก็ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัตินี่ ก็ทําให้ไอตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ทรมานนะเพราะว่ากลัวทรัพย์สมบัตินี่มันจะสูญไปมีคุณยายคนนึงเนี่ยแกก็อยู่ในระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลแล้วแต่แกยังหวงก่วงทรัพย์สมบัติมากมีหลายคนยืมเงินไปแล้วไม่คืนโอแกเสียดายเงินมากนะตัวอยู่โรงพยาบาลแต่ใจนี่นะไปไปทวงเงิน ใจเนี่ยไปทวงเงินเพื่อนบ้านนะกลางวันแสกๆเลยเพื่อนบ้านเห็นแก่มาหาตกใจนะรีบวิ่งมาที่โรงพยาบาลเลยมาเพื่อจะบอกว่าไอ้เงินที่ยืมไปเนี่ยคืนแน่ไม่ต้องห่วงนะเจ้าตัวอยู่โรงพยาบาลแต่ใจเนี่ยมันไปทวงเงินเขาเยอย่างนี้นี่เรียกว่าคงตายสงบตายดีได้ยากนะเพราะว่ายัง ม, มีความห่วงความห่วงไอ้เงินนี่ เราควรจะเป็นนายมันนะแต่ถ้าเราไปยึดติดถือมันมันเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นนายเราเราจะตายมันยังไม่ยอมให้เราตายเลยมันต้องมันก็จะสั่งให้เราอย่าไปทวงเงินนะถ้าตัวอยู่โรงพยาบาลมันก็สั่งให้ใจไปทวงเงินอันนี้เงินสั่งนะความหวงเงินมันสั่งแต่บางคนก็ไม่ได้หวงเงินนะหวงลูกหวงหลานอาม่าบางคนน่ะรักหลานมากนะ คอยคอยจำจีจำชายหลานให้กินเยอะๆตามวิสัยคนรตีน้องกินเยอะๆกินมากๆขนาดมีมีพี่เลี้ยงแล้วนะแกก็ยังเข้าไปบังคับนะคาดคาดคันนะให้ลูกกินเยอะๆต่อมาก็ป่วยนะป่วยโคมา่าอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่อมาม่าโคมา่าอยู่ที่โรงพยาบาล น, นะตอนเย็นลูกหลาน พ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ลูกก็กินข้าวกันลูกก็คือหลานของอาม่าเนีย่ยจูๆ่ๆเด็กก็พูดขึ้นมาว่าไม่เอาแล้วอาม่าพอแล้วอิ่มแล้วพ่อแม่ยังงงเลยหลานไอ้ลูกเนี่ยพูดกับใครลูกบอกเห็นอาม่ามามาจําจีจําชัยตัวอาม่าอยู่โรงพยาบาล น, นะแต่ว่าเหมือนกับว่าส่งจิตมานะมาจาจีจำชัยไอ้แบบนี้นี่ก็ไม่รู้จะตายดีกว่านะถ้าไม่ปล่อยวาง ต้องวางมั่งใน่งั้นจะต่อสู้ขัดขืนกับความตายแต่คนเราไม่ได้ยึดติดถือมั่นแต่เฉพาะของรักของห่วงเช่นทรัพย์สมบัติหลานลูกพ่อแม่สามีภรรยาเท่านั้นนะไอ้ของที่ไม่น่ารักก็ยังยึดนะเช่นความเจ็บปวดเนี่ยนะความเจ็บปวดเนี่ยนะตอนตอนป่วยหนักๆ น, น, นี่บางทียามันเอาไม่อยู่นะ หรือบางทีก็มีความอึดอัดนะเพราะว่ามีท่อช่วยหายใจอยู่ในปากมือก็ถูกมัดนะแล้วก็ไอความปวดมันก็เกิดขึ้นบางทีก็ไม่สามารถระ ง, งับได้ด้วยมอร์ฟินหลายคนก็ทรมานมากไอที่ทรมานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปวดอย่างเดียวนะไม่ใช่ปวดกายนะแต่ว่าใจก็ปวดด้วย ใจปวดเข้าใจเนี่ยมันไปไปไปยึดไปยึดเอาความปวดของกายยิ่งปวดเท่าไหร่ยิ่งต้องวางอย่างเราอะไรเวลานั่งอยู่เนี่ยสังเกตมาพอปวดพอเมื่อยเนี่ยใจมันจะไปจดจ่อยตรงที่ปวดที่เมื่อยนะหรือเวลาอากาศห น, า, น, วนาวเนี่ยนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเช้าเมื่อ น, นี่อากาศจะหนาวไอ้ตรงไหนที่หนาวเนี่ยใจมันจะไปจ่อยตรงนั้นะ ไอ้ที่อุ่นเนี่ยใจมันไม่สนใจนะมันจะไปจดจ่อยตรงที่มันหนาวที่ลึกที่เกิดทุกขเวทนาอันนี้เรียกว่าจิตมันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางยิ่งทําให้จิตมันทรมานมันไม่ใช่กายทรมานเนี่ยไม่ใช่กายทุกข์นั่แต่ใจทรมานด้วยความปวดนี่มันน่ามันน่ายึดที่ไหนนะแต่ว่าใจเนี่ยมันก็ชอบไปยึดนะไปดเจอความปวดก็ทําให้ทรมานมากขึ้นความกลัวก็เหมือนกัน ความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะเวลาจะตายแล้วมันมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นนะไปทำไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานทำไม่ดีกับพ่อแม่ทำไม่ดีกับลูกทำไม่ดีกับสามีภรรยาไม่ยอมตายนะไม่ยอมตายปล่อยวางไม่ได้ความกลัวก็เหมือนกันนะกรัใครแค้นใคร ก, นะก็ไปยึดเอาไว้ก็ทำให้กระสรับกระส่ายทุรนทุราย หลายคนนะเวลาอยู่ในระย ะ, ยะทยยังอารวาสดา่าหมอดา่าพยาบาลเพราะเขาโกรธนะบางทีแล้วลงไขรไม่ได้ระบายไขรไม่ได้ก็ระบายใส่หมอใส่พยาบาลอันนี้เพราะความยึดนะความยึดใจมันไปแบกเอาไว้มันทำให้ตายตายไม่สงบนะบางทีก็โกรธโชคชะตานะว่าอุตสา ทำความดีนะอุตสาหรักษาดูแลร่างกายอย่างดีนะกินอาหารชีวจิตแมกโรเบลติกนะออกกำลังกายกินอาหารที่มีแอนตะี้ออกซิเดนต้านอนุมูลอิสระจะไปรูไลนะ่าโคควิเกินหมดนะดันเป็นมะเร็งไอคนที่กินเหล้าสูบเบียรมันไม่เป็นแค้นมากนะอันนี้มีจริงนะมีคนที่แค้นมากจิง ชิดหวังรู้สึกถูกหลอกคือมันโกรธใครไม่ได้ก็โกรธชะตากรรมแล้วโกรธจนตายนะแล้วก็ตายไม่สงบนี่นี่เพือเราไม่รู้จักปล่อยวางนี่เวลาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะมันต้องต้องรู้จักปล่อยนะต้องปล่อยปล่อยทั้งสิ่งที่มันเคยให้ความสุขกับเราเช่นลูกหลานทรัพย์สมบัติงานการที่เราถือเป็นตัวตนของเราลูกหลานพ่อแม่ อันนั้นก็อันหนึ่งกับปล่อยวางสิ่งที่มันทําความทุกข์ให้กับเราเช่นความเจ็บความปวดนะความกลัวความเศร้าวความรู้สึกผิดจะ แ, แปลกนะให้ปล่อยปล่อยเรื่องอื่นนะ่ะหลายคนปล่อยได้นะปล่อยทรัพย์สมบัตินี่วางได้วางเรื่องลูกวางเรื่องสามีวางเรื่องภรรยาเรื่องพ่อแม่นี่วางได้แต่ความโกรธความรู้สึกผิดนี่มันวางไม่ได้มันจริงยากเข้าไปใหญ่นี่พอไม่ได้ฝึกมา จะไปวางกัตอนนั้นไม่ได้ต้องฝึกนะเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีไว้เพื่อฝึกฝึกให้วางอย่างที่เรามาปฏิบัติทำนี่นะก็ไม่ใช่ฝึกเพื่อเรามีชีวิตที่สงบเย็นนะแต่ว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะตายสงบได้ด้วยถ้าเราปฏิบัติถูกนะเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเพื่อเราจักวางนั่นแหละนะไม่ยึดแค่เห็นเฉยๆแค่รู้เฉยๆนะเห็นไม่เข้าไปเป็น เขาไปเป็นเนี่แปลว่าเขาไปยึดแล้วเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธเป็นผู้ปวดเป็นผู้โกรธมันนั่นเรียกว่ายึดนะยึดติดถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราไอ้พวกที่ไม่น่ายึดเลยนะนั่นคือสติเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรารู้จักวางได้เห็นปุ๊บวางปั๊บมันโกรธปุ๊บวางรู้สึกผิดเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามไม่แน่นะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะ อย่างนางมริกาเทวีเนี่ยเมรเสียพระเจ้าประสิทิโกศน์เป็นคนที่ดีนะแต่ว่าตอนจะตายเนี่ยก็อายุไม่มากยี่สิบปลายๆสามสิบต้นต้นก็ระลึกจำได้ถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ไปโกหกพระเจ้าป ร, ระสิทิโกศนเอาไว้กหกสำเร็จนะแต่ว่าพอจะตายเนี่ยจิตใจก็เศร้าหมองเพราะว่ามันเป็นมือสาวาดสลัดไม่ได้ตายปุ๊บนี่ไปอาบายเลย แต่ยังดีหน้าที่ความดีที่ทําเนี่ยก่อนนั่นนั้นเนี่ยมันส่งผลตามมาในภายหลังในทางพุทธศาสนาถือว่าจิตสุดท้ายเนี่ยนะจะส่งผลก่อนเลยหรือเรียกว่าอสศันนกรรมอสันนกรรมกรรมทุกชนิดล้นส่งผลกรรมบางอย่างให้ผลทันทีกรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมที่ให้ผลทันทีคืออาศันนกรรมคือกรรมจวนเจียญกรรมใกล้ตาย พอจะายาเนี่ยนึกถึงอะไรที่เป็นอกุศลหรือ ว, ว่าจิตเป็นหนูเหนอารมณ์ที่มันเป็นเป็นลบเช่นความรู้สึกผิดความโกรดนี้ไปเลยนะแต่ว่าถ้าทําความดีไว้กรรมที่กรรมดีก็จะหนุนส่งตามมาอย่างเช่นานางอเมริกาทีตกนรกเจวันหลังจากนั้นก็ได้ไปสวรรค์วันนี้เพราะกรรมดีที่ทำแต่อย่างไงก็ตามเนี่ยก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ให้ไปดีก่อนนะก็คือว่าให้อาสาณกรรมเป็นกุศล แต่ถึงแม้เรจะไม่เชื่อเรื่องเรื่องพบหน้านะแต่ที่มันเห็นชัดก็คือว่าก่อนตายเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ปล่อยไม่วางนี่มันทรมานนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะห่วงคนรักของรักหรือว่ายึดติดอารมณ์ที่เศร้าหมองที่เป็นอกุศลมันล้วนแต่ไม่ดีทั้งนั้นนั่นถ้าเรารู้ถึงความตายนะที่จะเกิดขึ้นกับเรานะ่โดยอาศัยคนที่ตายไปก่อนหน้าเราแล้วเนี่ยเป็นครูเป็นบทเรียนเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เราเนี่ยเออเร่งทํา นะทั้งทําความเพียรสร้างความดีแล้วก็เร่งฝึกจิตฝึกใจให้ปล่อยให้วางอังที่พวกเรามาอย่างนี้นะมันก็ถือว่าเป็นจุดอ่าเป็นการเตรียมตัวนะทั้งเตรียมให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็เตรียมสําหรับการตายสงบด้วยถ้านะมาวัดเนี่ยนะก็ควรจะมาฟังหรือได้ยินเรื่องแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้หลายคนมาวัดก็อยากจะฟังเรื่องดีๆเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องรวยรวยรวยเรื่อง อายุวันนับสุขะพละฟังแล้วสบายใจนะแต่ที่จริงเนี่ยนะพระอาจานก็สอน อ, อีกด้านหนึ่งด้วยนะว่าไอ้ของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงนะมีอายุแค่ไหนในสุดก็ต้องตายวันนับผ่องใสแค่นั้นในสุดก็ต้องเศร้าหมองเมื่อถึงระยะทางชีวิตนะมีสุขะยังไงในสุดกําลังวังชาก็ถดถอยรวมทั้งวันนับผิวพันธุ์ด้วยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากจะฟังนะแต่ว่าก็ควรจะเปิดใจ เพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดความตื่นตัวภาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจาเพื่อทำให้เกิดมรณสติหรือมรณนุสตเิเราต้องมีอนุสติข้อนี้ไว้บ้างเตือนใจอยู่เสมออนุสติมันมีสิบนะที่เรามาสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยก็เป็นการเติมหรือว่าย้ำอนุสติสพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาานุสติ ช่วยได้นะทําให้เกิดศรัทธาเวลาเกิดภัยพิบัติเออเราเลิกถึงพระผู้กิธธรรพระสงฆ์จิตใจก็เกิดความอบอุ่นรู้สึกว่าเชื่อมั่นว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจะคุ้มครองเราเลิกถึงความดีที่ได้ทําศีลานุสติก็ทําให้จิตใจเกิดความปิดติดเราเลิกถึงทานที่เราให้ก็เกิดความแช่มชื่นเบิกบานหรือว่าจากาขามุสติเราเลิกถึงเทวดานะ ที่เชื่อว่าเราจะปกป้องคนดีก็ทําให้เรามั่นใจในความดีที่ทําแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ควรจะทําควบคู่ไปกับการเจริญมรรณสติด้วยเรารู้ถึงความตายที่เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอเมื่อเราลึกแล้วเนี่ยก็หมั่นเจริญนะเจริญอนาปานาสติหรือว่าการเจริญสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่มันไม่ใช่อนุสติมันเป็นมหาสติเลยนะ อนุสติอย่างเดียวไม่พอนะต้องสร้างมหาสติเอนินเนี่แล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างมหาสติขึ้นมานะเพื่อจะปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจทำให้นะในยามในยามทุกนะเราก็ผ่านไปได้หรือถึงว่าในสุดก็ต้องอ่าต้องล่วงรับดับขันไปนะก็ใจก็ไม่ทุกข์ทรมานอย่างที่เนี่ยเมื่อกี้เราสวดเนี่ยเตสงหุ ป, ปสมโมสุขโข ความสงบระงนับหรือปล่อยวางสังขารทั้งหลายเป็นความสุขท่ามกลางความไม่เที่ยงท่ามกลางความตายเนี่ยมันก็ยังมีสุขให้เราได้สัมผัสนะขณะผู้เจ้าพูดถึงเรื่องความเสื่อมนะสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วดับไปแต่สุดท้ายก็จบจบลงด้วยความสุขนะความสุขเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความเสื่อมของสังขารทั้งความท่ามกลางความไม่จรังของชีวิต พุทศาสนาไม่ได้สอนแต่เรื่องความทุกข์นะแต่รู้จักให้เราเข้าถึงความสุขได้ด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็พราะเราฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกนี่มันจะมีแต่ความทุกข์ท่ามกลางความไม่จีรังมันจะมีแต่ความทุกข์ท่ามกลางความเสื่อมแต่ถ้าเราฝึกใจไว้ดีเนี่ยก็จะพบความสุขได้แม้ท่ามกลางแม้อยู่ท่ามกลางความทุกข์หรือแม้กระทั่งนะเผชิญหน้าความตายเราคำนี้พึ่งกันเท่านี้นะกลับครับ